ตื่นมาเนี่ยจะเห็นจิตขึ้นจากผวังเคลื่อนขึ้นมาเคลื่อนเื่อรู้สึกตัวปุ๊บนะยังไม่มีร่างกายนะขยับที่หนึ่งเนี่ยบออกไปจะมีความรู้สึกขึ้นมาขยับปุ บ, ปบออกไปร่างกายก็ปรากฏนะจะทำอะไรก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแต่ถ้าเหนื่อยนะพักเลยพักก็พักจริงๆไม่พักสเปสปะไีซื้อนังสือกระตูนมานั่งอ่านก็เคยทา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 เมื่อไรจะได้นั่งสักทีเนี่ยพอได้นั่งนะพออย่างชั่วได้นั่งแล้วอ้าวพระขึ้นมาอีกแล้วไม่อยากเห็นเลยเนี่ย ไ, ได้ภาวนาเยอะเลยเห็นไหมยืนไปยืนไปได้นั่งก็ดีใจพระขึ้นม า, าไม่น่าเลยได้ทำบุญในเช้าเลยไม่อยากทำก็ร <laughs> <c oughs> ู้ทันใจเห็นสาวๆอยู่ริมถนน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 ชื่นใจไหมโอ้แถมมาสามป้ายเหมือนวเล่าเสียงดังแล้วเมย์แถมนะโมโหนะโอ้โมโห ร, รู้ว่าโมโหนี่แหละภาวนานี่เรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวั น, นกินข้าวอยากกินอันนี้รู้ว่าอยากส่วนจะกินไม่กินถ้าดูเหตุผล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 อย่างตอนนี้เมื่อกี้มีความสุขรู้สึกไหมตอนนี้ความสุขน้อยกว่าเมื่อกี้นะใจชักจะเป็นอุเบกขาแล้วถัดจากนี้จะเริ่มเครียดแล้วนะเพราะว่าเริ่มเข้าธรรมมะและ้วนะถ้าเล่านิยมนิยายไปโอ้ตาแปว๋วแปว๋วหน้าเอ็นดูพอนะ ถ, ถึงเนื้อหารธรรมมะ ก, ก็อาหารเป็นพิษนะตาปลือมนะ <laughs> ไปฝึกกัานะทาให้ได้สามอย่าง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 แต่โยมมีพื้นฐานเดี๋ยวนี้ก็เบิกบานขึ้นเจ้าค่ะไม่รู้ว่าจะจะดีหรือว่ายังไงก็ภาวนาเป็นก็สบายขึ้นนะเจ้าค่ะไปทําอีกทาถูกแล้วล่ะเห็นไหมกายกับใจมันก็เริ่มแยกกันคานเจ้าโยมก็เห็นเวลาโยมมือผมสามผมอย่างนี้นะคะมันอะไรม่ใม่รองไม่ใช่เไหมคะก็ดูดูมันไปใช่ไหมคะนั่นแหละดูอย่างนั้นนะต่อไปเนี่ย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 ร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกเองแ่ะดูแต่จิตยอย่างเดียวไม่รู้ร่างกายได้ไ ง, ง, งนี่ก็เดินตกท่อไปขนาดนะยิ่งเดินพระธาตุกดแก้วนะสูงสูงต่ตําๆนะก็ ร, ะรู้กายด้วยนะขอพุ่นค่ะหลวงพ่ อ, อยังมาอยู่วัดหลวงพ่อเดินก็ต้องรู้ตัวนะเ ด, นวนะเดี๋ยวเหยียบงูงูเยอะนะนกกคนไม่กลัวงูนะไม่ค่อยมีใครไปเขียนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเรื่องงูเลยที่เนี่ยเขียนแต่เรื่องตุ๊กแก่ดูสิ บางคนเขาได้ย an ินชื่อตุ๊กแก่เขน้ำลายไหลค่ะนมัสการข่าวหลวงพ่อตอนนี้ตื่นเต้นค่ะก็อยากให้หลวงพ่อชี้แนะในการปฏิบัตินะคะเพราะว่าช่วงนี้ร RIGHT> ู้สึกว่าอาการมันจะทื่อๆค่ะโมว่าปัญหาอยู่ตัวนั้นนะถ้ามันทื่อๆโมวัวนะลืมเรื่องปฏิบัติไปชั่วคราวกันแล้วก็ดูกล่างกายไปผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายเรื่อยๆให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมมันจะรู้ได้ชัดขึ้น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 อตอนนี้ก็ปฏิบัติ อ, อยู่ในรูปแบบด้วยนะคะก็ะคือจะมีนั่งสมาธิที่ดูเวทนาด้วยะคะ่ะแล้วตอนอยู่ประจําวันก็จะพยายามดูจิตอยู่เนืองๆอย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าอย่างนี้มันได้ใช่ไหมคเวลาดูจิตก็ให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาเนาะ <c oughs> อย่าไปดูทั้งวันไปจ้องรอดูไม่ได้เ <c oughs> ช่นมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขมีความสุขขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่ามีความสุขโกรธขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโกรธอย่าไปจ้อง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 ภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีมาสการค่ะหลวงพ่อเป็นครั้งแรกที่มาฟัง c ีดีหลวงพ่อสี่ห้าเดือนออตอนนี้ปฏิบัติก็ฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจค<า>่ะยากไหมยากไหมไม่ยากแต่พยายามปฏิบัติออตรงนั้นอยู่ค่ะในลงพ่อสัมภาษณ์นิดเอรฟัง c ีดีหลวงพ่อแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะรู้เรื่องอะ่ะ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 จะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ตอนสวดมนต์ที่หิ่งห้อยสวดไปสว ด, ดไปตัวมันนักก็ผุดขึ้นมาออขนาสวนนั่นะออก็รู้ค่ะรู้รู้เสร็จแล้วก็ตอนทานอาหารเช้านี้พอทานกำลังตักข้าวก็ความอยากเกิดขึ้นก็รู้<อ>ใ้ไดค่ะเสร็จแล้วก็มองว่าตักอะไรทำไมมากนักนิดเดียวอะไรยังนี้ค่ะเสร็จล้วไปทบทานก็